เราฟังพระดํารัตแม้ของพระองค์แล้วก็ยิ่งเลื่อมใสเนี่ยนะฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะแม้ได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าจะดีใจขนาดไหนแล้วก็บอกด้วยนะบอกเหมือนกับว่าบอกกับบอกเวลาบอกชื่อพ่อชื่อแม่แสดงว่าได้ตรัสรู้แน่นอนฟังแล้วก็้ดีใจจริงๆเลยนะเหมือนอย่างว่าอะไรนะแค่แค่บอกธรรมดาเนี่ยไปหาใครแล้วเขเล่าบอกว่าอสอบติดแน่นอนเนี่ยนะวิชาที่มันสอบยากๆฟังแค่นั้นเราแทบจะห่อได้แล้วเนี่ยนะ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 ท่านแม้แต่พระ อ, องค์ท่าน ท, ที่เป็นรูปยังหายากจะกล่าวไปยัยถึงคุณธรรมที่พระ อ, องค์ได้เพราะฉะนั้นฟ อ, องบ่ฟังปั๊บจะได้อย่างนี้นะโอ้ดีใจมากนะพอปีติสงบระงับก็สมาทานอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดกวดขันตัวเองขึ้นในการสร้างบารมี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 แรกๆก็เหมือนว่าปล่อยๆซะหน่อยเนี่ยนะตอนนี้เริ่มเข้มงวดกวดขันกับตัวเองขึ้นในการสร้างบารมีมากกว่าเดิมครับแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างท่านทําเสมอด้วยชีวิตอยู่แล้วเนี่ยนะก็บีประดัดเข้าไปอีกเนี่ยนะใครเรียกว่ายิ่งกว่าภาษาเออใครเรียกว่ายิ่งกว่ากวนทะเลเอาน้ํานมเหมนนะยิ่งกว่าบทภูเขาหาเพชรเหมือนกันะยิ่งกว่าขันแผ่นดินทั้งหมดเพื่อหารัตนะเนี่ยนะเพราะนั้นท่านมีความภาคเพียรอุตสาหะที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นจริงๆ ในที่สุดก็บําเพ็ญบารมีจนเต็มบริบูรณ์ขวัดขันเพื่อสร้างบารมีจนเต็มบริบูรณ์สิ่งเหล่านี้ที่เราเรียนเนี่ยนะก็ไม่ใช่พยายามเรียนในสิ่งที่ลมแรงนะเพราะว่าผู้ที่เขาทําอย่างที่กล่าวว่าเนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็ทําสําเร็จไปแล้วและศาสนาของท่านก็จะหมดไปแล้วด้วยนะนะซึ่งหน้าปราบปลื้มอนุโมทนากับพระองค์ด้วยแล้วก็น่าสังเวชตัวเองด้วยเนี่ยนะก็ลูกหลานอะไรนะ เฉลือศีท่านหนึ่งก็นะหรือศีอสิตะรือศีหรือกาละเทวินดาบทเนี่ยนะอีกชื่อหนึ่งเขาอสิตะรือศีหรือกาลเทวินเนี่ยนะพอเห็นพระโพธิสัตว์นี่หัวเราะเลยเสร็จแล้วก็ร้องให้หัวเราะโอ้ท่านพูกนี้ยังไงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ า, าแน่นอนดีใจด้วยนะเหมือนดีจริงๆเลยนะไม่ริษยาดีใจด้วยอีกคิดอีกในหนึ่งว่าปร้องให้เล ย, อเลยบอกเสียใจจริงๆเลยนะ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 ปราถนานักหนาบางคั้นท่านใช้คําว่าปราถนาหนักหนาแปลว่าสุดๆดของการปราถนาจริงๆปกติเนี่ยนะมันก็อย่างว่าคนนี่มันก็รักทรัพย์สินใช่ไหมถ้าถ้าพื่พูดแบบธรรมดาทั่วๆไปหวงเห็นทรัพย์มากอุตส่าห์แสวงหาทํางานมาด้วยความเหนื่อยยากพอพูดถึงโพธิญาณตับทิ้งหมดเลยเอาโพธิญาณเนี่ยนะสละสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อโพธิญาณโดยปกติทั่วๆไปใครก็รักครอบครัวนะ่ไหม นะก็รักครอบครัวรักบุตรรักภริยาก็บอกว่ารักโพธิญาณมากกว่าจะต้องสละบุตรสละภรรยาเพื่อให้ได้โพธิญาณปกติคนทั่วไปสละ ร, ร่างกายอวัยวะมากบอกเพื่อโพธิญาสละอีกคนทั่วไปแหมรักชีวิตมากเลยนะก็บอกว่าฉันจะมาฆ่าคุณเนี่ยแม้ฟังแค่นี้คลิปเลยทันทีเนี่ยนะแต่พระองค์เนี่ยบอกว่าถ้าเพื่อโพธิญาณชีวิตอันนั้นจําต้องทิ้งก็ยอมเหมือนกันเพื่อโพธิญาณว่าสุดยอดของความต้องการนะไม่มี ไม่มีใครมีความต้องการอะไรที่มันจะใหญ่หลวงขนาดนี้อีกแล้วและความต้องการอันนี้เนี่ยเป็นความต้องการที่เรียกว่านี้รันดอนก็งั้นนี่รันระเนี่ยจะเรียกว่านี้รันดอนก็ได้ความต้องการอันนี้เนี <Dieses S 2> ่ยมันไม่เลิกไม่รามันยาวมันนานจริงๆนะอย่างพระพุทธเจ้าวิริยาที่กะด้วยความต้องการอันนี้ร่วมแปดสิบอสงไขยมันเป็นความต้องการอะไรที่มันยาวนาน แล้ถ้าเทียบธรรมดาทั่วไปเขาไม่คบเครืครจะใยจยเย็นรออะไรนานได้ขนาดนี้ได้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องการเนี่ยต้องการลึกซึ้งต้องการจริงๆเลยแหละแต่มันต้องรอขนาดนี้เนี่ยนะบอกก็เหมือนว่าเราอาหารที่อร่อยๆที่เราอยากกะถาเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวแค่จะรอไม่ได้อยู่แล้วนะบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งอะไรเพิ่งเอาเข้าวสารมากรอกหมอ้อบอกโอ้ยหิวจัดมาเลยเนี่ยนะไอ้ต้องการอาหารเนี่ยก็ต้องการจริงๆอะ่ะแต่ก็ต้องรอ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 พระองค์ครองคารวาสวิสัยอยู่หกพันปีมีปราศาสตอย่างยอดเยี่ยมสามหลังที่เกิดเพราะบุญกรรมพระองค์ทำบุญมาเนี่ยนะความมีรูปสวยความมีเสียงเพราะเนี่ยนะความมีทรัพสมบัติทั้งหลายเนี่ยก็เพราะว่าของคนมีบุ ญ, เ พ, บญเพราะทําบุญมาเพราะทํำหมดบุญก็เป็นเศษเหล็กทันทีเลยแหละนะอันนี้ก็สมบัติของผู้มีบุญจริงๆนึกถึง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 สิ่งที่ตรงกันข้ามเหล็กชิ้นเดียวกันแต่ว่าแปลสภาพไปนะสังขารคล้ายกันเดียนเดียวกันนั่นแหละแต่ก็แปลไปเนี่ยนะกระดูกชิ้นเดียวกันแต่เปลี่ยนสมุดฐานไปสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แล้วมันก็เรียกว่าพวกปราศาสเนี่ยนะจะสูงสุดสูงสุดในโลกก็ก็คือสังขารธรรมปราศาทของพระโพธิสัตว์เลือมไหมในบัดนี้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 เขาพูดให้เนี่ยเราไปพูดให้สังเวชนะเนาะเออพอพูดบูชาผูาม้มีบุญมีบุญน่นะมีปราสาทชื่อว่าสุทัศนะหนึ่งนะรัตนคิแล้วก็อาวีละอันตกแต่งแล้วแสดงว่าสวยมากเลยนะมีพระสนมนารีที่แต่งกายงดงามสามล้านสามแสนนางแสดงว่าเมืองใหญ่มากเลยนะผู้ที่คอยดูแล พระอัครมเหสีพระนามว่าสุทัศนาพระโอรสพระนามว่าวรุณะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะนะพระชินเจ้านั้นเห็นนิมิตสี่ประการคนแก่คนป่วยคนตายและนักบวชเสด็จออกพิเนสกรมด้วยยานคือรถทรงเนี่ยนะับวชนั่งรถบวชไปบวชนะตั้งความเพียรเจ็ดเดือนเต็มแป ว, ว่ารวบรวมโพธิปคัคจธรรมเนี่ยใช้เวลาเจ็ดเดือนพระมหาวีรชินเจ้า เรวัตพระองค์นั้นเนี่ยนะผู้นําโลกผู้สงบหลังจากตรัสรู้แล้วเท้ามหาพรมก็อาราธนาแล้วพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักรเสร็จแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่หน้พระวิหารวรุณารามวรุณารามพระองค์มีพระอัครสาวกชื่อว่าพระวรุณและพระพรหมเทวะมีพุทธอุปถากชื่อว่าพระสัมภวะ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 วิญญาณที่ผ่านการอบรมนับมาอสงไขยถ้าจะกล่าวถึงสิ่งที่ใช้เวลาบ่มนานที่สุดเนี่ยนะเว้นอวิชากับภวะตันหาซะอวิชากับภวะตันหาทุกคนนึกบ่มมานานแก่กล้าจริงๆนะลืมตาพับก็ไม่เคยเห็นอริยสัจมืดเหมือนเดิมนี่นะอันนี้ทพบ่มมานานมากแต่ว่าถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยสิ่งที่บ่มมานานนั้นก็คือโพธิญาณนั้นจึงไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการตรัสรู้ พระองค์ได้ตรัสรูณโคนโรพพฤกษ์ชื่อว่าต้นนาคากากะถิงเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะ น, นะพระองค์มีอัครอุปถากชื่อว่าวรุณะและสาระมีอัครอุปถายิกาชื่อว่าปาราและอุปปาลาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยส่วนสูงทรงสูงแปดสิบศอกสูงมากนะทรงมีพระศมีสว่างสวัยทุกทิศเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยนะ ถ้าใครสังถ้าดูดวงอาทิตย์ยามเช้าๆหน่อยเนี่ยที่มันเป็นแสงพุ่งเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อฉันใดบอกว่าสมัยก่อนนี่ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเครื่องเปรียบนะก็ก็จะยกว่าพระพุทธเจ้าเสมอด้วยพระอาทิตย์เรียก ว, ว่าอาทิตจะพันธุนาเรียก ว, ว่าเผ่าพันแห่งพระอาทิตย์เหมือนกันเลยเในด้านรัศมีที่ส่องสว่างช่อประกายเหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าออกสีทองฉันใดพระพุทธ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 เป็นไปได้ไหมไม่น่าเชื่อมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะไม่มีเขาเดิมอยู่เลยเนี่ยนะนะในยุคนั้นออขอไปเปลวรัศมีแปลว่าช่อมีที่เกิดในสรีระของพระองค์ก็ ย, ยอดเยี่ยมแผ่ไปโดยรอบโยอดหนึ่งก็คือประมาณส6บหกิโลเมตรเนี่ยนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสบายเลยนะถ้าจะอ่านตระไายปิฎกไปตั้งไปอ่านใกล้ๆพระพุทธเจ้าบอกฟังพระองค์เทศดีกว่าอางนั้นนะ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 ที่ทะเลเนี่ยเหมือนว่าคลื่นลมดูเหมือนสงบที่ไหนได้คลื่นลูกใหม่ใหญ่กว่าลูกเดิมเหมือนกันะกองทุกขของสารทั้งหลายก็ฉันนั้นทําท่าทุกเหล่านี้ดูเหมือนสงบที่ไหนได้รอทุกใหม่ๆตามมาอีกอย่างมโอ้ยผ่านเรื่องเศร้าใจไม่สบายใจไปสักทีที่ไหนได้รอเรื่องที่ไม่สบายใจมากกว่าเรื่องนี้อีกตัางหากแล้วเหมือนกันให้เวลาพักสัก่อนจะได้รับเรื่องที่ไม่สบายใจให้มันยิ่งกว่านี้อันเรื่องที่เรากําลังไม่สบายใจขณะนี้มันเรื่องเล็กเรื่องน้อย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 ประกาศพระนิพพานในที่สุดเหมือนอย่างว่าประทีปที่สิ้นเชื้อก็ดับไปพระองค์ก็หมดเยื่อใยในขันห้าดับโรคเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระองค์ทิ้งรูปประคันเหล่านั้นแล้วไม่ถือเอารูปประคันอันใหม่ๆอีกทิ้งเวทนาขันแล้วก็ไม่ถือเอาเวทนาใหม่ทิ้งสัญญาสังขารและวิญญาณแล้ว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 ทั้งรู ป, ปกายและพระธรรมที่อยู่ในใจของพระองค์บัดนี้ก็อันตรธานสิ้นไปเนี่ยนะไม่เหลือเลยเนี่ยนะแม้แต่ชื่อถ้าไม่อ่านพุทธวงศ์แทบนึกไม่ออกว่ามีเคยมีพระพุทธเจ้าผู้เช่นนี้ในโลกมีผู้ที่สร้างบารมีตรัสรู้เช่นนี้ประกาศธรรมเช่นนี้มีผู้ตรัสรู้ตามเช่นนี้ในบรรดาผู้ที่นับถือของเก่าแก่เนี่ยพวกเราเนี่ยรู้นับถือของเก่าแก่ที่สุดเนี่ยนะ นับถือพระพุทธเจ้าผู้เก่าแก่องค์เมื่อสีอสงไขยสามอสงไขยสองอสงไขยเนี่ยนะอย่าว่าปีเลยเนี่ยนะเว้ยศึกษาสิ่งที่เก่าแก่บบราณจริงๆเลยนะพวกเรานี่มันโบราณมากๆเลยนั้นถ้าเขาว่าเราแก่ก็ถูกต้องแล้วอย่าไปเสียใจนะนนก็แก่จริงๆอ่ะเพราะชอบของเก่าของแก่เหมือนคนแก่เลยนะนะก็ขอให้แก่ศรัทธาเถอะขอให้ศรัทธามันแก่กล้า ย, ยิ่งๆขึ้นไปเถอะเนี่ยนะ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 คือในบรรดาคนที่รอบคอบสุดยอดของนักรอบคอบสุขุมลุ่มลึกเนี่ยนะคิดกว้างคิดลึกคิดไกลคิดยาวเนี่ยนะคิดทุกแง่ทุกมุมคิดโดยรอบนะเรียกว่าแท้วาสมันตะปัฏฐานเนี่ยเราเป็นคนคิดรอบจริงๆเลยแหละสมันตะเนี่ยแปลว่าโดยรอบปัฏฐานแปลว่าการตั้งการตั้งแบบรอบตั้งอะไรตั้งด้วยอนุภาพของปัญญา ปัญญาตั้งไว้เพื่อไข้ควรไว้โดยรอบกพร่องทําอะไรพระองคข้ควรเบ็ดเสร็จแล้วว่ารวบควรเป็นเช่นใดเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณควรเป็นไปอย่างไรกายกรรมควรไปอย่างไรวจีกรรมและมโนกรรมควรเป็นอย่างไรเนี่ยนะวันอันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะข้อความในอัธกถาเนี่ยนะเพื่อจะได้เข้าใจเพิ่มยิ่งขึ้นกว่าเดิมว่า ต่อมาภายหลังจากพระพุทธเจ้าพระนามาสมณะเมื่อศาสนาของพระองค์อันตรธานไปแล้วพวกมนุษย์ที่มีอายุ 90,000 ปีก็ลดน้อยถอยลงโดยลําดับจนมีอายุ10ปีพวกเรากันนะครัมีบุญนะอายุมากกว10ปีก็แล้วกันเสร็จแล้วก็เพิ่มขึ้นโดยลําดับจนมีอายุถึงหนึ่งอสงไขยปีแล้วก็ลดลงมาอีกจนมนุษย์อายุประมาณ6กห0 0่นปี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 ใครชอบหลับชอบนอนอดแน่ไงนะสว่างสว่างนอนแล้ค่อยหลับไงแต่ว่าสรุปว่ารุ่งโร้ดสว่างสวยอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต576ล้านปีเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดุสิตในอาสาละห์เลิกถือปฏิสนธิในพระการของพระนางวิปุลาอาสาละห์เลิกเนี่ยนะผู้พัยบุ์ด้วยคุณราศีกองแห่งคุณที่งดงามและน่าจับใจ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 พนางวิปุลานั้นเป็นอัครามเมหสีในราชาสกุลของพระเจ้าวิปุลราชผู้พัยบุ์ด้วยความมั่งคั่งทุกอย่างพระราชาพราะองค์นี้ก็รวยจริงๆแหละวางั้เป็นพระราชาที่เกลื่อนกล่นด้วยเหตุเกิดและเสรีราชาสมบัติพระองค์นั้นถูกห้อมล้อมด้วยขราชาบริพานอันงดงามประมาณไม่ได้ทหารนี่เยอะมากเลยนะ